จบเสียงงานหนังสือโลกทิพย์ภาคสามโดยมิสเตอร์แอนโทนีบอร์เจียผ่านคําบอกเล่าของวิญญาณท่านโรเบิร์ตอิลเบนสันแปลโดยอาจารย์สิริพุทธสุขขอทุกท่านร่วมอนุโมทนาเจ้าภาพเพิ่มเติมอีกดังนี้ครอบครัวนามปันครอบครัวมนสาครอบครัวออนดิตกัญญนัตทองบุญนภพัฒและภัทธิราวรนิจคุปสุนทรวงแสงจันทิมาหลอปรีชาคุณนัทธานิชาบุญยวัตรพัทราวุฒสิงสี ทวารุจพรพิทักษ์ดำรงนุชนาฏเลิศล้ำมีชัยทันนิชาเจ้ยาพิสุทธิ์ที่นันอุสาเทียมทองพระชรา พ, พรพระชรวรคุณเปรียมใจเหลื่อมล้ำนุสราสอนช่วยชัยยุทธอ่อนยินร่วมกับอีกหลายท่านดูได้จากเครดิตท้ายเรื่องและในทุกช่องทางที่ชมรมผลดีเผยแพร่ขออนุโมทนากับท่านที่ไม่ประสงค์ออกนามด้วยนะครับขอทุกท่านเจริญในทางกุศลยิ่งขึ้นไปสภาพทานังธรรมะทานังจินาติการให้ธรรมะชนะ การให้ทั้งปวงอริยคุณพุทธธรรมจุ ม, มลพดีมกราคมพุทธศักราช2566